เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศนทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานยาิโยงมีเวลาว่าง จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญสร้างกุศลเพราะเป็นการสร้างสารณะสร้างที่พึ่งทางใจชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและใจใจนี้มีความสำคัญมากกว่าร่างกายเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ร่างกายเป็นบา่าใจเป็นนายร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ใจนี้ถาวรคือไม่มีการสูญสลายไม่มีการดับไปส่วนร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บและความตายตามมา ทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเราและต้องมีที่พึ่งอาศัยในการที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่างกายก็ต้องมีสาระที่พึ่งใจก็ต้องมีสาระที่พึ่งที่พึ่งของร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัย4ได้แก่ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มอาหารและยารักษาโรคถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เดือดร้อนส่วนใจก็ต้องมีสาระมีที่พึ่งเช่นเดียวกันที่พึ่งของใจหรือสัต ปัจจัยสี่ของใจก็คือบุญกุศลได้แก่ทานศีลสมาธิและปัญญานี่คือปัจจัยสี่ของใจทานก็คืออาหารของใจเวลาเราให้ทานถวายของให้กับพระหรือให้สิ่งของแก่บุคคลนั้นบคนนุคคลนี้หรือได้ให้ความช่วยเหลือ ผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเป็นเหมือนได้รับประทานอาหารถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะรับประทานอาหารอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าใจไม่ได้รับไม่ได้รับประทานอาหารเราก็ยังจะมีความรู้สึกหิวหิวอยู่คือยังมีความอยากอยู่อยู่เฉยๆไม่ได้ ยังอยากจะไปหาสิ่งนั้นมาดูหาสิ่งนั้นมาฟังหาเรื่องนั้นหาเครื่องดืง่มชนิดนั้นมาดื่มหาขนมมาขบเคี้ยว ท, ท, ทั้งๆที่เพิ่งรับประทานอาหารเสร็จไปยกหยกยังแน่นท้องอยู่เลยแต่ใจมันหิวมันอยากเพราะใจไม่ได้อาหารนั่นเองอาหารของใจไม่ใช่อาหารของกาย อย่าไปคิดว่ารับประทานอาหารกินข้าวอิ่มแล้วใจจะอิ่มตามด้วยใจไม่อิ่มหรอกถ้าอิ่มทำไมจะต้องไปหาขนมมากินอีกทำไมจะต้องไปหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มอีกทำไมยังต้องไปดูสิ่งนั้นฟังสิ่ง น, นี้ทำไมยังต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าใจขาดอาหารใจไม่ได้อาหารนั่นเอง ถ้าใจได้ให้ได้ทำบุญให้ทานใจจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบและจะอยู่บ้านอย่างเป็นสุขไม่ต้องไปออกไปข้างนอกไปหาความสุขอยู่บ้านก็ไม่ต้องหาขนมมารับประทานหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มหรือเปิดโทรทัศน์ดูหรือเปิดเพลงฟังเพราะใจมีความอิ่มจากการให้ทานนี่เอง นี่คืออาหารของใจหนึ่งในปัจจัยสี่ที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญควรจะให้อาหารแก่ใจอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยควรจะให้อย่างน้อยก็วันละหนึ่งครั้งเหมือนกับที่เราให้อาหารร่างกายการให้ทานนี้ก็ให้ได้ทั้งพระและทั้งคารวะถ้ามีพระเดินผ่านมาบิณฑบาตตอนเช้า ก็ควรที่จะตักบาตรถ้าไม่มีพระแต่อยากจะตักบาตร<ม>ก็อาจจะต้องไปตามสถานที่ที่มีพระท่านเดินผ่านถ้าไม่สามารถทำได<ม>้ก็เอาเงินที่เราจะซื้ออาหารถวายพระใส่ใส่กล่องเอาไว้เขียนใบในกล่องว่าเป็นอาหารบิณฑบาต<ม>แล้วเราก็ เก็บรวบรวมมาไว้พอเวลาที่เรามีโอกาสได้มาวัดเราก็นำเอาเงินที่เราใส่ไว้ในกล่องนี้มาถวายวัดอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญทุกวันเพราะชีวิตในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ที่บางครั้งก็จะไม่มีพระเดินผ่านมาบิณฑบาตไม่เหมือนสมยัยโบราณเราจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้วัดทุกวันจะมีพระออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันทุกวันคนสมัยก่อนจึงมีความสุขมีความพอใจไม่ต้องมี วัตถุข้าวของสิ่งต่างๆมากมายเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้มีวัตถุมากมีข้าวของมากแต่กลับไม่ค่อยมีความสุขกันกลับไม่มีความอิ่มความพอกันเพราะไม่มีโอกาสได้ทำบุญทุกวันนั่นเองเช้าตื่นขึ้นมาก็ตาลีตาลานรีบไปทำมาหากินหาเงินหาทองพอออกออกกับ จากที่ทำงานก็ต้องแวะไปซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อของต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ไปหาความสุขตามสถานบันเทิงต่างๆจนดึกจนเืินแล้วค่อยกลับบ้านตื่นเช้าก็ทำเช่นเดียวกันใจก็เลยไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับการให้ทานไม่ได้ทำบุญให้ทานใจของคนสมัยนี้จึงมีแต่ความหิว มีแต่ความอยากซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มีความทุกข์มีความไม่สบายใจต่างๆตามมาไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนเขาได้ทำบุญตักบาตรทุกวันจิตใจเขาสบายเขาเย็นเขาไม่ต้องมีอะไรมากมายสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ ด, ดูไม่มีเพลงฟังไม่มีข้าวมีของต่างๆ แต่เขากลับอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีขโมยไม่มีใครที่จะมาขโมยข้าวของของกันและกันเพราะหนึ่งไม่มีข้าวของให้ขโมยสองจิตใจของคนไม่มีความหิวความอยากความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ยกเว้นคนบางคนที่ไม่ใส่บาตไม่ทาบุญ ก็มีบ้างในสมัยก่อนที่มีพวกนักเล็กขโมยน้อยแต่ไม่มีมากเหมือนในสมัยนี้สมัยนี้มีแทบทุกมุมเมืองทุกแห่งทุกคนไปไหนนี่ต้องระมัดระวังเผลอไม่ได้เผลอเดี๋ยวก็ถูกขโมยของไปนี่คือความแตกต่างของจิตใจที่ได้รับอาหารกับจิตใจที่ไม่ได้รับอาหาร ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอยากจะอยู่อย่างอิ่มหนำสำราญใจเราก็หมั่นทำบุญให้ทานเป็นเป็นปกติถ้าไม่ได้ทำกับพระทำกับคารวดก็ได้ทำกับบุคคลที่เราเคารพที่มีพระคุณกับเราก็ได้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์มีอะไรที่เราพอจะแบ่งให้ท่านได้ก็แบ่งให้ท่าน หรือเรารับใช้ท่านได้ก็รับใช้ท่านไปอย่างนี้เราก็จะมีบุญมีความสุขมีอาหารหล่เอเลี้ยงจิตใจเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่คอยผลักดันให้เราต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มายิ่งถ้าเราต้องหามากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความตันหนีมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะต้องหาเงินทุกบาทมาใช้ตามอำนาจของความอยากตามอำนาจของความโลภจึงทำให้เราไม่ค่อยอยากจะทำบุญให้ทานเพราะเสียดายเงินอยากจะเอาเงินมาซื้อข้าวของต่างๆซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆซื้อรองเท้า ซื้อรถยนต์ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อสิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มเอิบแต่อย่างใดแต่กลับทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเมื่อได้ซื้อมาแล้วก็อยากจะซื้อของใหม่พอเห็นรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้อใหม่ซื้อมือถือมาได้ไม่กี่เดือนมีรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าเกา่า ก็อยากจะได้อยากจะซื้ออีกซื้อรถยนต์มาใช้ได้ไม่กี่เดือนก็เห็นรุ่นใหม่ออกมาอีกก็อยากจะซื้อใหม่อีกความอยากนี้จะไม่มีหมดไปด้วยการทำตามความอยากซื้อข้าวซื้อของตามความอยากแต่กลับเป็นการเลี้ยงความอยากให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้ตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็อยากเพลกเล็กๆน้อยๆ อ, อยากได้ขนมกิน อยากได้สิ่งนั้นสิ่งได้ตุ๊กตามาแต่พอได้มาแล้วพอโตขึ้นก็มีความอยากก็มากขึ้นจากตุ๊กตาก็อยากจะได้ตุ๊กตาจริงอยากจะได้คนจริงได้มาเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาอยากได้ลูกอยากได้รถยนต์อยากได้บ้านใหญ่ๆโตๆอยากได้ตําหน่นสูงๆนี่คือความอยาก มันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจของเราเมื่อถูกความอยากกดดันจะหาความสุขไม่ได้ถึงแม้จะมีข้าวของเต็มบ้านตหมดมีบ้านใหญ่โตราคาแพงๆมีรถยนต์จอดอยู่เต็มบ้านแต่ใจกลับจะหาความสุขไม่ได้กลับจะมีแต่ความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นเราจึงควร ดูแลใจของเราด้วยการให้ทานด้วยการทำบุญทานท่านก็บอกว่ามีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือสิ่งของที่เราจะให้ผู้อื่นได้สิ่งแรกก็คือวัตถุข้าวของต่างๆเช่นมณิยญญ่าโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานจตุปัจจัยต่างๆมาถวายเราเรียกว่าวัตถุทาน นี่ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเป็นการให้อาหารแก่ใจอย่างหนึ่งการให้ที่เราให้ได้่อย่างหนึงก็คือวิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราเอาไปสอนผู้อื่นเช่นรู้จักวิธีทากับข้าวทาขนมหรือเย็บปักถักรอยก็สอนให้ผู้อื่นเขา รู้จักวิธีการกระทำสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่คิดเงินทองกับเขาเราก็จะได้บุญได้ความอิ่มใจด้วยการให้วิชาความรู้อย่างนี้เรียกว่าวิทยาทานการให้อีกชนิดหนึ่งที่มีทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขก็คือการให้อภัยอภัยทาน แปลว่าไม่เอาโทษไม่จองเวรไม่อาฆาตพยาบาทไม่โกรธแค้นโกรธเคืองใครทำอะไรกับเราด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่ด้วยเจตนาก็ดีทำให้เรามีความไม่พอใจหรือทำให้เราเดือดร้อนถ้าเราอยากจะทำบุญเราก็ให้อภัยเขาไปเพราะถ้าเราให้อภัยได้ ใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่รุ่มร้อนใจถ้าเราให้อภัยไม่ได้ใจของเราจะเหมือนถูกไฟนรกเผาไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทไฟแห่งการจองเวรจองกรรมนี่คือสิ่งที่เราควรจะให้ถ้ามีโอกาส เวลาใครทําอะไรให้เราไม่พอใจพูดอะไรให้เราเสียใจก็อย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองเขาเราต้องโทษตัวเราเองที่เราโงา่ที่ไปไปเอาเขามาใส่ใจเราแล้วก็มาเหยียบย่ำใจของเราด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความอาฆาตพยาบาทคนฉลาดจะไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาเหยียบย่ำทําลาย ใจิตใจของตนจะปล่อยให้เขาทำตามอำเภอใจเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปเขาจะดีเขาจะชั่วก็เป็นเรื่องของเขานี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติกับบุคคลหรือกับสิ่งอื่นๆพระทัยของพระพุทธเจ้านี้จะสงบจะเย็นเพราะจะไม่เอาเรื่องต่างๆ เข้ามาสร้างเหตุคือสร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความอาฆาตพยาบาทซึ่งเป็นเหมือนกับจุดไฟเผาตัวเองนั่นเองถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราก็ต้องไม่ถือสาคนอื่นคนบางคนทําไมเราไม่ถือสาได้แต่ทําไมคนบางคนเรายังต้องถือสาอยู่พราะเราไปเห็นว่าเขา ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เช่นกับเด็กๆ เ, เราไม่ถือสาเด็กจะเป็นอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราไม่อาค่าพยาบาทแต่กับผู้ใหญ่บางคนเช่นสามีเราภรรยาเราหรือเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักมาคุ้นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมา ทำไมเราไม่ไปปล่อยวางเขาอย่าไปถือสาเขาเราทำไมไม่มองเขาว่าเขาก็เป็นเหมือนเด็กๆ เ, เขาจะทำอะไรนี้เขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กถ้าเรามองทุกคนว่าเป็นเหมือนเด็กได้เราจะไม่มีความรู้สึกวุ่นวายไปกับการกระทาของเขา นี่คือเรื่องของการให้อภัยนะให้อภัยแล้วจะทําให้ใจเรามีความเย็นมีความสบายส่วนสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ได้ก็เรียกว่าธรรมะคือธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะก็คือการให้ธําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้ ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเช่นเรามาวัดเราได้นังสือธรรมะไปอ่านถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็ให้ผู้อื่นต่อไปหรือถ้าเรามีศรัทธาอยากจะให้อยากจะแจกหลายหลายเล่มเราก็ร่วมกันพิมพ์หนังสือมาแจกให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นพอเขาได้อ่านธรรมะแล้วก็จะเกิดหูตาสว่าง เห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วเห็นว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอย่างวันนี้ญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจของเราเช่นรู้ว่าการให้ทานนี้เป็นคุณแก่จิตใจเราก็ฉลาดขึ้นแล้วจะทำให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้น ถ้าเราเอาไปแจกให้ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วเขาก็จะไม่มาสร้างเวงสร้างกรรมให้กับเราเพราะทุกคนก็จะรู้จักการให้อภัยไม่จองเวงกันและกันสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากภัยทั้งหลายที่เกิดจากการจองเวงจองกรรม จากความโกรดความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนี่คือสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะให้แก่ผู้อื่นก็คือธรรมะนี่เองถ้าเราให้ธรรมะกับทุกคนในโลกนี้ได้แล้วทุกคนในโลกสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้โลกนี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาล ไม่ต้องมีทาหารไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาคอยปกป้องคุ้มครองเราไม่ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์ไม่ต้องมีจรวดไม่ต้องมีอาวุธปืนต่างๆเพราะทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันให้อภัยกันนี่คือทานอาหารของใจงขอให้เราทําไปทุกๆวัน ทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราสามารถทําได้ทั้งวันตอนเช้าเราก็ทําบุญตักบาตรเวลาไปโรงเรียนหรือว่าไปมีเวลาว่างเราก็ไปสอนหนังสือให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นเวลาเจอหรือพบกับคนแล้วเขาพูดหรือเขาทําอะไรไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาไปถ้าเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยาก เพื่อเรามีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ทรมานใจเราก็เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เขาเพื่อเขาจะได้รูตาสว่างแล้วจะได้ปลงได้วางได้เขาก็จะหายจากความทุกข์ได้ดังนั้นขอให้เราพยายามทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสบาย นี่คือเรื่องของอาหารของใจส่วนอาภร์หรือเสื้อผ้าของใจก็คือศีลนี่เองศีลนี่แหละที่จะทำให้เราสวยงามหรือไม่สวยงามไม่ใช่เสื้อผ้าราคาแพงๆที่เราซื้อมาสวมใส่ต่อให้เราซื้อต่อให้เรามีเสื้อผ้าราคาแพงๆออกแบบโดยนักออกแบบมีชื่อซื้อมาจากต่างประเทศแต่ถ้าเราไม่มีศีล เราไม่ซื่อสัตย์สุจริตเราจะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมจะไม่มีใครเขาจะยกย่องสรรเสริญเราเพราะความสวยงามของคนเหล่านั้นอยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตนี่เองและอยู่ที่ศีลห้าอยู่ที่การไม่ฆ่าผู้อื่นอยู่ที่การไม่ลักทรัพย์อยู่ที่การไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา คนที่มีศีลห้านี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่คนเขารักเขาชอบเขายินดีเขาอยากจะให้อยู่ด้วยแต่คนที่ไม่มีศีลห้านี้จะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะให้อยู่ด้วยเป็นคนหน้ารังเกียจถึงแม้จะแต่งหน้าแ ต, แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างสวยงามก็ตามเถิด จะแต่จะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะเป็นเหมือนงูพิษนั่นเองงูพิษถึงแม้จะสวยขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะรู้พิษของงูว่าถ้าถูกกัดแล้วถึงตายได้เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีศีลถ้าอยู่กับคนไม่มีศีเลเผลอเดี๋ยวก็ถูกเขาฆ่าได้หรือเขารักทรัพย์ของเราไปได้ หรือก็มายุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของเราได้หรือเขาจะโกหกหลอกลวงเราได้เสมอ น, นี่คือความสวยงามหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจของเราก็คือศีลนี้เองขอให้เรารักษาวไว้ให้ดีเถิดแล้วเราจะมีแต่คนรักเรายกย่องม่ำเกลบเรารักพระพุทธเจ้าเคารวะพระพุทธเจ้ายกย่องเทิดทูนพระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะท่านมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นเองส่วนที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิความสงบของใจเวลาใจสงบนี้เหมือนได้อยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่อย่างเย็นสบายข้างนอกจะร้อนขนาดไหนก็ตาม แต่ข้างในนี้จะเย็นสบายเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนมากทุกคนนี้ต้องวิ่งเข้าหาเครื่องปรับอากาศกันต้องเข้าไปในห้องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็อยู่แต่ในห้องเพราะเย็นสบายชั้นใดใจก็ต้องมีห้องปรับอากาศมีที่หลบความร้อนต่างๆถ้าใจเวลาอยู่ข้างนอก เช่นเวลามารับรู้เรื่องต่างๆนี้ใจก็จะเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาทุกกับเรื่องนั้นทุกกับคนนี้หัวงคนนั้นหัวงคนนี้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ใจมีความรุ่มร้อนมากแต่พอเราทําใจให้สงบลืมเรื่องต่างๆไปได้ใจก็จะเย็นขึ้นมาทันที เช่นถ้าเรามีความรุ่มร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคานี้เราควรไปหาที่ไหนสงบมุมสงบถ้าหาไม่ได้ก็ไปนั่งในห้องน้ำก็ได้แล้วก็ไปพุทโธพุทโธหลับตาอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เรามีความรุ่มร้อนใจไม่นานใจของเราก็จะเย็นจะสงบเพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆนั่นเอง ความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราไม่ใช่เรื่องต่างๆเรื่องต่างๆเขาอยู่ข้างนอกใจเราถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขาเราจะไม่เดือดร้อนใจเหมือนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆที่บ้านที่ทำงานเราก็ไม่รุ่มร้อนใจไปกับเรื่องต่างๆทั้งๆที่เรื่องต่างๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่ ยังมีคนประท้วงกันอยู่ยังมีคนชมชุมนมกันอยู่มีคนลักเล็กขโมยน้อยมีคนฆ่าฟันกันอยู่แต่เราไม่เอามาคิดไม่เอามาใส่ใจเรามันก็ไม่รุ่มร้อนใจแต่ถ้าเราไปคิดเราก็จะรุ่มร้อนใจขึ้นมา ท, าทันทีดังนั้นเราจึงต้องรู้จักหยุดความคิดของเราบ้าง อย่าปล่อยให้ความคิดสร้างความรุ่มร้อนใจให้กับเราไปตลอดเวลาเราต้องรู้จักเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเข้าห้องที่มีเครื่องปรับอากาศด้วยการหยุดความคิดของเราด้วยวิธีต่างๆจะด้วยวิธีการสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจไม่นานเราก็จะลืมแล้วความรุ่มร้อนใจก็จะหายไป ถ้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธจะนับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับไปถึงร้อยแล้วก็นับถอยหลังกลับมานับกลับไปกลับมาอย่างนี้โดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่นานใจของเราจะเย็นขึ้นมา ท, าทันทีรับรองได้พระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอริยสงสาลุษทำกันมาแล้วดังนั้น เป็นที่รู้กันเป็นที่รับรองกันแล้วว่าเป็นความจริงอยู่ที่พวกเราจะทํากันหรือไม่ทํากันท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราฝึกทํากันไว้ก่อนอย่าม่รอทาตอนที่ใจร้อนเพราะตอนนั้นมันจะหยุดไม่อยู่ขณะที่ใจร้อนนี่มันเหมือนรถที่วิ่งลงเขาจะหยุดมันยากเราต้องมาหัดหยุดรถในขณะที่มันวิ่งช้ า, ชา เช่นตอนตอนที่เรายังไม่มีความรุ่มร้อนใจเช้าเย็นตื่นขึ้นมาก็ให้ฝึกทำสมาธิกันก่อนตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิกันสัก15นาที30นาทีตอนเย็นก่อนนอนก็นั่งสมาธิกันสัก15นาที30นาทีฝึกทำไปเรื่อยๆต่อไปเวลามีความรุ่มร้อนใจเราก็จะได้ทำสมาธิกันได้แล้วใจของเราก็จะหาย จากความรุ่มร้อนต่างๆนี่คือที่อยู่ของใจก็คือสมาธิส่วนยารักษาใจก็คือปัญญาที่เรียกว่าธรรมโอสถ <c oughs> ถ้าเรามีธรรมโอสถมีปัญญาเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเลยเพราะธรรมโอสนี้จะทําให้เราปรงได้หวังได้อะไรคือปัญญาปัญญาก็คือการเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสมบัติข้าของเงินทองต่างๆก็ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไปยึดไปติดมันก็จะทุกข์ถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดอย่างนี้ก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือปัญญาเราต้องสอนใจของเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปยึดไปติดจะทาให้เราทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานใจเราก็อย่าไปอยากอยากไปอยากได้อย่าไปยึดติดมีก็มีไปอยู่ก็อยู่ไปเวลาจะไปก็ให้เขาไปถ้าเป็นเขาทำใจได้เราปร่งได้เราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่มีโรคจิตมารุมเล้าเราเราจะอยู่อย่างปกติสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามร่างกายจะแก่จะตายก็ไม่เดือดร้อน คนนั้นคนนี้จะแก่จะตายก็ไม่เดือดร้อนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามียารักษาป้องกันโรคใจในี้เองใจของเราต้องมีปัญญาถึงจะอยู่ได้อย่างปกติไม่มีไม่มีความทุกข์ทรมานใจไม่มีโรคใจมารลุมเรานี่คือเรื่องของปัจจัยสีที่เป็นที่พึ่งของใจ ที่พวกเราควรที่จะสร้างกันให้มากๆปัจจัยสี่ทางร่างกายพวกเรามีครบกันทุกคนอยู่แล้วถ้าไม่มีป่านี้เราก็คงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายกันไปหมดแล้วแต่เรามีปัจจัยสีร่างกายครบบริบูรณ์สิ่งที่เราขาดก็คือปัจจัยสีของใจเราจึงต้องพยายามสร้างปัจจัยสีนี้ก็คือต้องทาบุญต้องรักษาศีลต้องรัก ต้องนั่งสมาธิและต้องเจริญปัญญาแล้วเราจะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความน่มเย็นไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา